เมวันนี้ให้สมบูรณ์ในการที่อ่านลายแทงก่อนสองสามีเศรษฐีธมะค้าขายจนร่ำรวยสร้างบ้านสร้างเงินสร้างธุรกิจเข้มแข็ ง, ข ง, ขงมากมีลูกเจ็ดคนเสร็จแล้วในเจ็ดคนเนี่ยดูวิแววว่า แต่ละคนัไปคนละทางไม่มีใครที่ต้องการที่จะมาทําธุรกิจแบบพ่อแม่ที่ทํามาคนเป็นครูคนไปนเป็นหมอาคนเป็นอย่างอื่นไปแต่ว่าการที่จะมาดูแลธุรกิจต่งางๆไม่มีใครที่จะทํำได้ก็เลยคิดกันอย่างนี้ว่า ถ้าสมมุติว่าเราสองคนตายเนี่ยลูกแต่ละคนถ้าไม่ดูแลธุรกิจตัวนี้ให้ต่อไปเนี่ย mm hmm. เขาคงไม่รอดอ า, อาชีพต่างๆมันมีปัญหาในตัวแต่อาชีพที่เป็นธุรกิจที่ทํามาเป็นที่ที่สืบทอดกันมาหลายาหลายชั่วคนที่ในตระกูลเขาทำมาทีนี้ก็เลยคิดกันอย่างนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเอาสมบัติส่วน คือสมัยนันโบราณฝังไว้ให้เขาหลังจากที่แบ่งส่วนที่มีแล้วเนี่ยวันหนึ่งถ้าเขาไม่มาทําธุรกิจตรงนี้วันหนึ่งสมบัติที่แบ่งให้เขาเนี่ยมันต้องหมดมันต้องร่อยหรอแล้วก็เก็บอันญมณีพวกทองพวกอะไรต่างๆที่เป็นสมบัติที่เก็บได้เนี่ยเก็บไว้ในที่หนึ่งแล้วก็ ก็ว่าปทิการอายุไขัสองอก่อนที่เขาจะตายไปเขาก็เขียนแทนที่เขียนพี่นะัยกรรมเขาเขียนสมบัติสมบัติที่แบ่งเป็นคนละส่วนแต่ตัวที่เก็บไว้เนี่เขาจะทําเป็นหลายแทงหลายแทงนี้ใครอ่านออกหมายคนนั้นคนนั้นได้ไปเนี่ยเสร็จแล้วหลังจากตายไปแล้วก็เป็นไปดังคาดก็ไม่นาน ลูกที่ประกอบธุรกิจเองกันพอใครมาเจอไอ้ปัญหาไอ้ลงปัญหาไอ้ธุรกิจล้มเหลวพวกนี้เจอกันมีอยู่เสร็จแล้วก็เลยมาคิดถึงว่าทรัพย์สมบัติพ่อแม่หามาได้มากมายที่เนาแบ่งกันมาใช้เราไปลงทุนกันแล้วมันล้มเหลวอย่างนี้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างเหลืออยู่ พ, นพ้นขออคูกมุมของข้อรหัไม่มีอะไรเหลือไปเจออยู่สนเร่นหนึ่งูในลิขิตก็เอามาอ่านกันเอามาอ่านกันในนั้นมีส่วนหนึ่งรหัสอันหนึ่งบอกว่าเราได้เก็บสมบัติมาให้ลูกของเราฝังไว้ภายในบ้านเนี่ย แล้วก็ตรงนี้เราเก็บไว้ที่ยอดปริษานะแต่ให้ต้องไปเอาเดินสิบขึ้นสิบขั้งของวันที่สิบถึงจะได้ก็ปรากฏว่าเขาก็รอ วัที่สิบขึ้นสิบข้งางเดินสิบก็ช่วยกันหาช่างมาลื้อยอดประสาทนึกว่าสมบัติที่พ่อแม่เขียนไว้ในลายแทงไปอยู่ตรงนั้ น, นปหาหรากฏว่าลื้อประสาท ล, ลงมาแล้วไม่มีอะไรสักอย่างนที่สุดก็พอนึกขึ้นได้ว่าพวกเขานี่ มันอาดอันนี้ไม่ถูกเป็นลายแทงเขาก็เลยไปหาโหนหรือหาหมอผู้ชํานาญในการหน่นาลายแทงเอาหนังสือคือว่าไม่ไปขออ่านเขาก็ถามว่าตอนนี้พวกคุณทําอะไรไปบ้างแล้วผมเขาต้องไปตามที่บอกไปลือ้อ ด, ดูแกะไขอยู่ที่อย่าปรสาทไม่เห็นมีอะไรอเอาอย่างี้เมื่อถึงวนไปกระบวนไปอีกรอบหนึงมันถึงจไปเดินสิ ถึงเดินสิบขึ้นสิบรั้งให้พวกคุณมามาบอกแต่ต้องให้ผมไปวันที่เก้าขึ้นเก้าขั้มพอถึงเวลานั้นเดินปีนี่ครบรอบมาเขาก็ไปแต่ว่ายอดภาษาที่พวกคุณไปลือไปแก่เนี่ยผมไปทําให้เหมือนเดิมมันเดิมดทุกอย่างถ้าไม่ทําเหมือนเดิมมันจะไม่เจอ เสร็จแล้วกอถึงเวลาเขาเข้ามาลำดติเดือนสิบขึ้นสิบครั้งขึ้นสิบครั้งนี่ประจานไปไงียอืขึ้นสูงหรือขึ้นช้าหรือขึ้นเร็วขึ้นสิบครั้งถ้าขึ้นสิบห้าครั้งมันจะขึ้นเร็วใช่ไหมถ้าขึ้นสิบครั้งนี่มันจะขึ้นช้าก็จะดึกหน่อยขึ้นเสร็จแล้วขึ้นสิบครั้งนี่เขาก็ นัดลูกทั้งหมดมารวม ก, กนันที่สิบเดือนสิบขึ้นสิบขําเขาบอกว่าถ้าแสงพระจันทร์สงาา่งประสาทส่งยอดประสาททางทิศตะวันออกยอดประสาทต้องปรากฏทางทิศตะวันตกยอดประสาทตกที่ตรงไหนตรงนั้นคือที่ฝังหุ่นศพพอถึงเวลานั้นปั๊บเขาก็ไปขุดเจอจริงๆ แล้วก็ซับมันมาแบ่งกันแต่ว่าในนั้นนั่นบอกว่ารับนี้ถ้าพวกคุณเอาไปใช้โดยที่ไม่มีอุสลิสิบประการอุสนกรรมบท10บประการคือเดินสิรับนี้ก็จะไม่เป็นของจริงมันจะเปลี่ยนเป็นของเปลี่ยนไปตามหนนาที่ขอที่ทานไว้ ถ้าคนไม่มีกุศล10ประการกุศลแล้วกำมบท10ประการจาได้ไกุศลกำมบทคือสุจริตสกายยุตสิทธวจีสุจริตนโมโลสุจริตสครบสิกุศลกายสุจริตทีป ร, รบบะพฤติดีทางกาย วาจาเพื่อดีทางกายด้วยกันไหมคะสัไม่รักษัไม่พดเปในกายสุจริตและพ to totally ูดสุจีทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดเสียนไม่พูดคาหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมนษสิจิฏฐสามไม่เบียดเบียนตนเองอะไรนะไม่อพิชา <Kag ura fish> ไม่สมารูปะคือไม่โลภอยากได้ของเขา วิหิษะไม่เบียดเบียนเขาพยาปาทะไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็สามาทิฐิใช่ไหมคือมีความเห็นที่ถูกต้องโมนสุชินิสาคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่เบียดเบียนไม่ได้บาดปองร้ายเขาคนอื่นแล้วก็ไม่เห็นผิดต่างขนองของธรรมไม่เห็นถูกดังถ้า พวกคุณไปประพฤติสิข้อนี้ซั์สม บ, บัตินี้ถึงจะพ่อคุณงอกงามแต่ถ้าเอาคุณเอาไปใช้ไว่นานก็หมดถ้าคุณไม่มีคุณสิข้อถามว่าเจ็นคนใครจะทำได้ถ้าใครทำแต่ในช่วงที่พวกคุณยังไม่ได้ผมจะเป็นผู้รักษาไว้ก่อนหมายถึงโหนหมอเนะขามีทำถ้าคนไหนยังทำไม่ได้ก็จะไม่ได้สม บ, บัติอันนี้คุณเอาไปคุณก็ไ ป, ไปล้มลายสูญหายเหมือเดิ นี่คือความฉลาดโบราณนั้นเรื่องนี้ท่านแต่งขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าเราเจอในสิ่งที่เป็นหลายแทงคือคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วแต่เราอ่านไม่ออกแต่เราก็ไม่คิดถึงผู้รู้ผู้หวนที่จะอ่านออกเราขึ้นไปเรานึกไม่ออกเราก็ไป ทำลายยอดประสาเอาคําสอนนั้นไปทําลายทุกวันนี้เอาคําสอนนี้ไปทําลายด้วยการสอนกันผิดผิดถูกถไปไม่ออยากจะแช่คือว่าธรรมหากินเอาไปประกอบสร้างสรรค์อะไรกันมากมายมหาศาลมีคนทาลายยอดประสาทที่คำสอนพระเจเสร็จแล้วผู้ที่รู้เรื่องนี้ท่านไปเสด็จถามผู้ที่ เข้าใจตีความหมายของพุทธธรรมที่ถูกตรงตามคําสอนของท่านนี่ผู้อ่านลายแทงออกและผู้ที่จะมีคุณสมบัติที่อ่านลายแทงจะต้องมีมันไปกุศลกรรมบํบันี้ก่อนอันนี้สําคัญเราก็ต้องไปเช็คกุศลกรรมบําบดของเราครบถ้วนไหมแล้วสมบัติที่เราศึกษาคือเศรษฐีประธานสี่ หรือเรียกว่าโพธิปัจญยธรรมเนี่ยคือสมบัติสามสิบเพจสามสิบเจ็ดกรแล้มีอะไรบ้างสติปัฏฐานสี่สมมปัฏฐานสี่อิธิบัต4สี่สี่ห้าพระห้าโคชงเจ็ดอริมมร์มีองค์แอบรวมแล้ว เ, เป็นส7ิเจ็เพจสามสิเจดกรแล้ที่พรุทจาท่านมอกไว้เรียกว่าโพธิปขัขญาธรรมสามิเจ็ดนี่ท่านทำเป็นลายแทงเอาไว้ทีนี้ก็ต้องไปเสิรหารท่านผู้รู้มาอ่านลายแทงตัวนี้ ก่อนที่เราจะลงมือค้นหาคุณสัตว์เนี่ยนั่นก็หมายว่าในประเทศไทยของเราเรามีพระพุทธเจ้ามีพระอารามทั้งหลายหลายต่อเนื่องกันมาตลอดบางยุบบางสมัยเข้ามากบางบุกสมัยก็น้อยบางยุบสมัยก็ไม่มอีอันนี้แล้วแต่โชคให้โชคมาพอไปเจอแล้วไม่ใช่ว่าจะเอาได้เลยไปเจอท่านผู้รู้อ่นอานลายแทงบอกให้เราแล้วก็ไม่ใช่เอาเลยต้องมีขอมือเรามีคุณสมบัติพอไหมที่จะ ให้ครองสมบัติอันนี้เราได้ทราบใช่ไหมว่าพระนักปฏิบัตินักบวชจาหลายท่านเสมือนว่าเป็นผู้บรรลุธรรมแต่ในที่สุดตอนเอ็นอัพแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีเยอะใช่ไหมแล้วก็โอหังโอพังกันมาบอรลักษณะอย่างนี้คือยอดผู้ทำลายยอดประสาทคือไปเจอหมอปลอมเข้าไปไปเจอหมออะไรแทงปลอมเข้า พราะเราต้องไปซ่อมยอดประสาทให้ได้ที่ไปลืมมาก่อนคือหมายความไปซ่อมคุณธรรมของเราคุณสมบุตรคุณสมบุตรคือกุศลกรรมบุตรเนีแล้วก็สติปัญหาสี่หรือไอ้ไอ้พวกที่มีธรรมสีประการเติมด้วยสติปัญหาสีแล้วก็ต้องมาซ่อมแซมซ่อมเสริมให้สมบูรณ์ได้จะจะฟังเรื่องสติปัญหาสีมาจากสนาคตต่างๆจากสนัก น, านบางสับสนักนี้บ้างจากสามมนูษยบ้ า, บาง แล้วก็มาตีความหมายเวดัง Academy, ทิฏฐิของอาจารย์เร padre, ียกว่ GS, าคันถีอนุดีกาอาตนมติทิฏฐิอาจารย์ก็ก็คือการทำลายยอดประสาแล้วทั้งกลับไปหาพุทธพุทธดั้งเดิมอย่างผู้เฉพที่ว่าอเนกชาติสังสารงสันทาวิสังนิวิสังขหาคารังคเวสันตุทุกขาชาติปุนณะ ข้าพ า, า ร, ารกะาิโทสิปุณเาเกตนาาหาสิสภาเทพาสุขาภาคาข้าคุตังวิสังคาตัวิสังคารกะตังกิตตันตันหานังขยงมเจรคาถานิี้พรอมาก่พระเจ้าอุทานตอนไหนอาจารสมจิตยังจำได้ไอ่าเป็นประถมครั้งแรกที่ท่านเจอตัวสภาวะนี้ท่านตกนองตรงนี้เองแล้วแปลว่าไง เมือ่อใดเราเมื่อได้พบอนสภาพว่ารู้ตื่นเบิกบานในตัวเองเนี่ยจิตของเราเนี่ยได้วิ่งไปกับความคิดตลอดตลอดชาติตลอดกาลไม่รู้นับไม่ถ้วนอนเอกอนเอกอเกชาผู้ที่มาทำให้เราต้องวิ่งวนท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารคือตัณหาความอยากเพราะานู้ว่า บบบนี้เราเห็นเจ้าตัญหาคือความอยากนี้แล้วเจ้าจะไม่สร้างเรือนสร้างเราสร้างวัฏสมสารสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอะไรให้เราไม่ได้ต่อไปยอดเรือนเราก็ลือเสร็จแล้วโคงเรือนแล้วก็โคงเรือนแล้วก็หักยอดเรือนแล้วก็ลืคือยอดประสาทที่เราไปลือลงมาแต่ไปลืออีกทีมันไม่ใช่ไปลือยอดประสาทไม่ใช่ไปลือแต่ว่าไปอ่านลายแทงให้ออกไปลื้อเอาสมบัติใต้ดินมันไม่ใช่ไปลื้อยอดประสาท คำสอนคงไว้อย่าทำลายแต่ว่าต้องมาขุดในเนื้อในตัวของเรามันมีเพชรอยู่แล้วบรรพบุพรุษของเราคือพผู้นิจเจ้าทั้งหลายพระอาจารทั้งหลายที่ตัดสินสุสิททอดกันมาท่านฝังไว้ใต้ดินแต่เยอดประสาทนี่คำสอนของท่านที่สร้างเอาไว้เป็นเจดีย์คือธรรมะธรรมะเจดีย์คือดีกว่านี้นะ แังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียมดอ่อนมากเราจะไปทำแบบโ ม, โม้ๆซี้ซั่วมันไม่ได้ไเป็นบาปเมื่อก่อนคนไปพูดถึงว่าพการพนันนี่นนต้องยกมือสมัยโบราณใช่ไหมคือที่มาพูดกันเป็นเล่นเลเทมวยวดนี่คือการทําลายยาพิษได้ดันั้นใครจะมาพูดทำมากว่ารู้อย่างโนอย่างนี้นนมาคุณเป็นบาปแล้วคุณไม่รู้จริงมาปรามแต่เขาจะฟังไม่ฟังก็ต้อ ง, องบอกเขาก่อน ฉะนั้นเราพูดคำว่าขั้นสูงทีเดียวแต่ว่าขั้นต้นๆเนี่ยใช้ประทําอะไรร้บไม่เป็นเลยเรื่องเหล่านี้ยังไม่รู้แล้วเรื่องที่เป็นลมรณีจะขนาดไห น, นจะต้องเรียนรู้รอบครอพอสมควรนะแล้วก็ในตัวคําสอนพระิุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าเราอ่านการอ่านใจเราไปเครื่อคืออ่านหลายแทนไม่ต้องไปหาครูอาจารย์มาในที่สุดเราเป็นครูอาจารย์ของตัวเอง ครบาอาจารย์ระดับตั้งแต่ผู้ดีเจ้าระงวยท่านจะเก่งขนาดไหพระนุนฟังผู้ดีเจ้ามาตลอด20ปีแต่ท่านไม่ไม่เคยมือกอ่านตัวเองอย่างจริงจังแต่พ้มนมาอ่านตัวเองอย่างจริงจังแค่เจ็ดวันท่านไม่รู้ทำนั่นคือตัวอย่างอรบาอาจารย์จะเก่งกันาดไหนถ้าเราท่านชี้ลายแทงให้เราเท่านั้นแต่เรื่องการขุดเป็นเรื่องของเราท่าน อ, กกา อ, าอ่านได้แทงก็บอกเราเลยต้องอย่างนี้นะ เร่อขุดแรงแทงท่านบอกการขุดสมบัติคือขุดตัวเองค้นหาไปในตัวเองเนี่ยจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามแต่พระรยาทุประการไว้ไม่เกินเจ็ดปีอ่ะเจ็ดวันไม่เกินเจดปีแต่ลงพอเทียนหาย้าวหานยังไงก็ไม่รูนะ้เนีเอาอย่างนี้ก็ถ้ามาทําแบบเคลื่อนไหวเนี่ยตั้งแต่หนึ่งวันถึงสามปีถ้าทํานี่ย การเคล่อนไหวอย่างต่อเนมากพ อ, อถูกต้องโดยเน้นที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องคุณจะทําไปกี่ีกี่ชาติก็ไม่สามารถจะรู้ได้การทถูกต้องต่อเนืงถูกต้องจริงจตั้งใจต่อเนืถูกต้อ ง, ง, ง, ง, อ ง, องไม่เกินสามปีควนจะไปถึงข้างไหนแล้วแต่สติปัญญาแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะเห็นว่าบรรพุทธของเราทํำลายแทงฝังสมบัติไว้หมดอ่ะ แต่ตัวเรามีเงื่อนไขอย่างโนอย่าง น, างนี้อย่างนั้นแล้วแต่บุญบา ร, รมีของเราถ้าบุญบา ร, รมีเราน้อยเราก็มีเงื่อนไขเยอะแต่บุญบา ร, รมีมากเราไม่มีเงื่อนไขอะไรจับอะไรไปใส่นั่นก็เลยแต่เอาจริงจังตั้งใจไม่ต้องมีข้อแม้ว่าอาจารย์โน้น อ, อาจารย์นี้คาสอนคนนั้นคนนี้แบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องศึกษาเพมีตำราเยอะแยะอาจารย์ท่าสอนก็นเยอะแยะแต่ต้องใช้ปัญญาของเราไม่ใช่เชื่ออาจารย์เหมือนเราไปเก็บ คุณลาไม่ในปา่าเก็บสมุนไพรในปา่ามีเยอะในปา่าแต่ว่าคุณรู้จักสมุนไพรที่เป็ยาไหแค่ น, น, นั้นเองครูบาอาจารย์เยอะๆตำรับตำราอะไเยอะแต่คุณรู้จักความหมายที่จะเอาหรือว่าไปรักษาอะไรดันั้นเรื่องนี้เป็นเรื่อง ท, ที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมพุทของเรามันถึงเป็นอย่างนี้นะนัะจึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนะี่ย ศึกษาเร่อนอย่างถูกต้องมันดูมันไม่ถูกต้องตรงไหนแล้วมันนั่งสักใสซเลนเนกันเนี่ยผมทำมันผิดตรงไหนมันถูกตง ไ, ไม่ถูกตรงไหนเพราะการสําคัญให้มีคุณสมบัติของเราต้อมีศรัทธาเนี่ยสําคัญมีศรัทธาที่กล่าวมาเบนนื้องต้นถ้าศรัทธาเราไม่เข้มแข็งพอความเพียรก็ไม่เกิดความท้าไม่ถูกต้องพอความเพียรก็ไม่ถูกต้องอความสถัทธาที่จริงจัง <c oughs> ความเพียรก็ไม่ยิงจักมันมันจะลิงกันหมดเห <c oughs> มือนเหมือนเหมืนที่มันลิงกันขั้นใดอย่าขาดขัานใดขั้นหนึ่งไม่ได้ได้ห้าขัาน้นเองดังนั้นเองเราก็ต้องตรวจสอบแล้วเวลานั่งปฏิบัติเนี่ยมาบอกให้ตรวจสอบตัวเองแล้วมีมีบทให้ใช้อท่านั่งท่ายืนท่าเดิน แล้วเราก็ตรวจสอบดูว่าที่เราขยับปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะเราอยากจะเปลี่ยนเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลในการเปละะี่ยนลักษณะถ้าเปลี่ยนไปโดยที่ไม่มีเหตุผลมันก็ถูกนะแต่ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองสมมติว่ามานั่งเงี้ยสิบนาทีมันก็ดูพัฒนาไปเรื่อยๆนาทีที่หนึ่งเป็นยังไงนาทีที่สองเป็นงไน ง, น า, งไนาทีสามจนนาทีที่สิบแล้วปรากฏว่ ทนต่อไปไม่ได้แล้วเพรอข้อขาแข้งข้อขางแต่เราคนนั้นเหมือนกันบางคนข้อเขาเสื่อมบางคนข้ออย่างมาเนี่ยข้อขาด้านขวาข้อแข้งด้งนขวาพลิกมาไม่รู้กครั้งแล้วนั่งนานไม่ได้มันจะปวดแต่เราก็ดูมันไปเรื่อยจนกระทั่งเอไม่ทนแล้วบางทีเราไม่ต้องขยับทุ่มขยับแค่นี้มันก็คลายไปนิดหนึ่งแล้วก็อยู่ได้อีกหลายนาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทับซ้ำซากตรงนั้นบ่อย ไอ้ตรงนั้นมันจะอักเสบขึ้นมาอีกก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นลักษณะที่เต็มที่ใช่หมคือคือคอเต้องดูความเป็นไปของที่ร่างกายเป็นหลัก <c oughs> เพราะร่างกายนี่เขาเปลี่ยนอย่างมีเวลาและจังหวะมันะะะะะมจะโพกะกันจิตจิตนี่เปลี่ยนไปทุกวินาทีก็ว่าได้แต่ร่างกายพลิกไปครั้งหนึ่งกว่าเขาจะเปลี่ยนจนเราทนไม่ได้นะม่ต่ำกว่าห้านาทีสิเรามีเวลาที่จะ ศึกษาเฝ้าดูเขาโดยผ่านกายเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาหมดกายยาโนปัสนานมาขึ้นไว้อันดับแรกเนี่ว่าต้อผ่านกายนะาก็กลายเป็นที่ที่ตั้งของจิตนะถึงแม้ว่ากายเกิดจากจิตก็ตามแต่เมื่อเกิดมาแล้วจิตก็ต้องเป็นกายเป็นที่ตั้งของจิตทีหนึงนะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาลำดับดูกาย ดูกายดูคนตายก็มีกายแต่มันไม่มีอาการอะไรแต่เรามีกายมีชีวิตสิ่งที่แสดงว่าเรามีกายคือตัวเวทนาบอกเราเวทนาบอกว่าเราเรามีกายเพราะอะไรเวทนามันจะบอกถึงเย็นรอ้นอนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดอาการมันจะบอกเราว่าเรามีกายอยู่นะ ร่างกายนี้มันจะรอดได้โดยอาศัยเวทนาเป็นตัวบอกเหตุเป็นตัวเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในอิบุนี้ไม่ไหวแล้วนะเวทนาเขาต้จะบอกแล้วเวทนานี่จะทําตอบสนองถูกหรือผิดก็อาศัยสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอาวิชามันก็ตอบสนองถูกเหมือนกันแต่ถูกครึ่งเดียวถูกตรงที่ว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันหายปวด มันถูกตรงนี้แต่ตัวสัญญาสังขารวิญญาณตรงนี้ถ้าอาวิชามันคลองอยู่ที่เราไม่ได้ฝึกฝนมาเราก็จะได้ประโยชน์ตัวที่เรารู้ว่ามันปวดจากเวทนาในครึ่งเดียวแต่พอเรามีการฝึกฝนมีการปฏิบัติเรารู้ว่าสัญญาสังขารวิญญาณตนี้สามารถที่จะรับใช้วิชาได้ด้วย ก็ต้องมาฝึกวิชาเพราะนั้นที่เรามาประเด็นมาฝึกวิชาวิชาที่จะให้รู้ว่าเวลามันปวดเต็มที่แล้วเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนจากการที่ไม่ปวดมันเปลี่ยนเป็นปวดอย่างไรแล้วพอปวดเต็มที่แล้วเนี่ยคุณจะเปลี่ยนอย่างไรให้เห็นอาการปวดเต็มที่ลดลงตามระดับมาสู่ที่เดิมเป็นศูนย์พอเปลี่ยนไปใหม่เนี่ยความเจ็บปวดของตัวเองเป็นศูนย์ทนันที ใช่มเสร็จแล้วพอเริ่มต้นใหม่วินาทีแรกมันก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ไปเรื่อยๆจนไปถึงวินาทีที่เท่าไรก็ตามมันไปถึงจุดหนึ่งที่อาการตรงนี้มันไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนนับถึงนาทีที่หนึ่งร้อยอย่างเนีน้แล้วนั่นอองต่อจากนี้ไม่ได้แล้วและเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนตามกฎของอนิจจังแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนเองนั้น เปลี่ยนตามกฎของไตรลักษณ์แต่ถ้าเราเข้าไปจัดการเรืการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการโกฎของไตรสิขานี่คือคือตัววิชาต้องประกอบด้วยไตรสิขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วมีตัวสติกำกับอยู่พอมนาะถึงใน ท, ที่หนึ่งร้อยเราเริ่มเปลี่ยนเราก็ต้องลำดับว่าจะเปลี่ยนอะไรให้เห็นการลดลงจากระดับที่หนึ่งร้อยมาเป็นศูนย์ว ค, ครั้งหนึ่ง อันนี้ก็เรียก ว, วิชาที่เกิดจากการตามรู้เรียกว่าอนุปัสนาตามเห็นสี่ตัวรุกตัวมีอนุปัสนาตามหลังบทกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนาตามรู้ตามรู้ตามเห็นตามสังเกตท่านกำกับไว้หมดแต่เวลาเราไปปฏิบัติเราไม่ใส่ใจเรื่องนี้เราจะยไปเปลีป่ยนแปลงตามฟังเคยชิดตามหลักวอวิชชาเหมือนเดิม คือมันไม่สบายฉันก็เปลี่ยนเท่านั้นเองมันก็ได้แค่ครึ่งเดียวเป็นสัญชาติญาณสติสัญชาติญาณแต่ที่เรามาฝึกต้องการให้เอาเครึ่งที่สองคือเปลี่ยนด้วยหลักของวิชาเปลี่ยนด้วยสติสมาธิปัญญาก็คือจะต้องเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ชัดนั่นเองเห็นกฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชัดเจนมันเปลี่ยนเป็นกฎของไตรสิขาทันที แต่ถ้าเราไม่รู้ขบวนการการทำงานขอ ง, ของตจรักเปลี่ยนไปเราไม่ได้ใจสิขาเราได้แดดผลของตรรักคือความรู้สึกสบายและความรู้สึกสบายนี้เองมันก็เป็นตัวหลอกให้เราเกิดเวทนาสุขเวทนาที่นี่ได้กล่าวไปก่อนและสุขเวทนาที่นี้เองมันจึงเป็นต้นตอที่จะไปเกิดตามลําดับไป ตามหลักของอวิชชาไปเกิดสังขาร น, นามรูปวิญญาอณอจตนาปัสสะเวทนาเกิดเวทนาทางจิตเป็นตัวข้อกลางที่จะเชื่อมต่อระหว่างตัวจิตกับตัวนามรูปตัวรูปนามกับนามรูปให้ต่อกันโดยที่มีเวทนาเป็นตัวขอ้อกลางถ้าเมื่อไหร่ โดยจากเวทนาไปกั้หาประธานชาติพบเกิดมาเป็นกรรมต่างๆมนุกกรรมวิจีกรรมอะไรต่างๆนี่คือรายแทงพุทธิชาติวางเอาไว้แต่้องฟังครูบาอาจารย์บอกเท่าไหร่เราก็อ่านไม่ออกเพราะเราไม่ได้ขุดลงไปด้วยตัวเองมันยังเป็นรายแทงของอาจารย์อ่านออกบอกได้อยู่แต่ว่าเรายังไม่เริมลงมือขุดถ้าขุดไปแล้วถ้าหากว่าขุดสเปสบ่าก็ไม่เจอเหมือนกัน ด้านนั้นเองตรงเนี้ยเป็นส่วนสําคัญที่อยากจะเน้นย้เพราะถ้าหากว่าไม่ตามคําสอนที่ผู้วาจารย์หรือที่ผู้ที่อาจารสอนมาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันไปเมื่อกันจะไปคนละทิกตรงนี้เราจะไปกรุงเทพเ อ, อนั่งรถไปโผล่ที่อบบะะุบลราชธานีไปโผล่ที่มุกดาหารไปโปล่ที่ขอนแก่นมันไม่ใช่ทิศทางที่เราต้องการไปแต่เราต้องการไปกรุงเทพ นะการตรวจสอบทิศทางก็เป็นเรื่องจําเป็นเร่องสำคัญ <c oughs> อก่อนที่จะเดินทางก่ <c oughs> อนที่ลงมือปฏิบตัติต้องมีข้อให้ถูกต้องก่อนเพราะฉะนั้นพรุทธเจ้าหรือนักปฏิบัตทั้งหลายท่านไม่รู้พระุทธเจ้าเรียงหรือเปล่าว่าสมาธิที่ต้องมาก่อนต้องรู้รู้ทางที่จะไปก่อนว่าเส้นทางนี้ไปอย่างไรเพาะสมาธิคือมาเป็นหลักแรกในการเดินทางคุณต้องมีแสงสวา่างเอามาใชายย้ยกให้ไป เปิดขึรนพอเข้าไปก้าวแรกผิดตรงนั้นไม่ลปิยแสงสว่างคลมไปทั่วอันนี้มาต้องการทดสอบเก็เห็นว่าคุณทำไม่ถูกนะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ที่จะทำแล้วก็บอกผมไม่มีประสบการณ์บอกตรงๆถ้าไปทำก็คลาไปทั่วนั้นเรื่องนี้ต้องอาศัยคนที่รู้กว่าเรานั้นลักษณะการของน้องถ่อมตรความเคารพให้เกียรติต้องมีเป็นคุณสมบัติ เพ่อที่เราจะใช้ปัญญาของคนที่เขามีประสบการณ์ทางโลกนั้นต้องแบ่งปันกันเรารู้ว่าเราไม่มีประสบการณ์ น, น, นี้ต้องไต่ถามต้องศึกษาจากเขาก่อนก่อนที่จะไปทาําเพราะฉะนั้นเองเรื่องนี้เรื่องสําคัญถ้าสมมุติว่าเราไม่เราปฏิบัติทรรไปแล้วเราไม่มีตัวคุณสมบัติเหล่านี้เราก็ไปทางผิดเราไม่ได้เคารพห่ อ, อน้องต่อครูบาอาจารย์มันเราไม่ให้เกียรติแก่ท่านผู้รู้ทั้งหลายที่มีประสบการณ์ผู้อวิโสที่มีประสบการณ์ เราให้เกียรติท่านล่านี้ เ, นเพื่อเราจะได้ขอปัญญาเข้ามาใช้ได้เพราะปัญญาที่เป็นสมมติต้องแ บ, บ่งปันกันเพราะโอกาสบงคนไม่เหมือนกันบางคนเขามีโอกาสศึกษาเรื่องนี้มากกว่าบางคนเขามีโอกา ส, สกาเดินรู้นี้มากกว่าบางคนเขามีความชนะชนะเรื่องต้องอาศัยเขาก้องุรึกษาเขาถึงมาเป็นพระเวลาไปถึงจุดที่เรื่องสาคัญามาต้องถามท่านผู้รู้กันเพราะนักภาษาไทยต้องได้ถามอาจารย์สมจิตนาเพราะท่านมีประสบการณ์ แต่มามีเหมือนกันแต่ไม่ชํานาญเหมือนท่านนี่ต้องได้พึ่งปัญญากันในแง่ของโลกกยะแต่โลกุตละนั้นต้องได้พึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ทางนี้เหมือนกันอาจารย์สมจินน า, ารประสบการณ์ทางโลกุตละไม่พอเพรต้องพึ่งอาจารย์มานี่คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะนั้นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราเรียนรู้เรื่องนี้เรียกว่าเป็นลายแทงนะ เนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราทด้ทเต็มที่อันไหนที่เราคัดตบวุ่งไปเก็บได้วันนี้จนไปจึงสี่มงเย็นจากสี่โมงเย็นห้ามเย็ น, ยนไปทํากระสุนตันามทาจากห้าโมงเย็นเป็นเริ่ไปเจะเริ่มมานั่งคุยประมวลผลกัน จ, กจะไปจบกี่ทุ่งกียางก็ก็แล้วแต่เพราะว่ารายละเอียดที่เราเก็บกันมาคนละหวันมันมันมีรายละเอียดเยอะแยะ เราก็ต้องมาแชร์กันฟังว่าสิ่งที่ผู้เกียนมาหกวันเขียนมาเนี่ยถูกต้องไหมมาเขาจะเป็นคนนั่งฟังถ้าไม่ถูกต้องตรงไหนมาก็เ้อปรับถ้าถูกต้องแล้เออโอเคถูกต้องแล้วอันนี้คือทําไมเราองมีการประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าภายในเจ็ดวันที่ทํามาเนี่ยคุณเข้าใจถูกหรือไม่ถูกอ่านได้แท้ที่จะไปขุดลงมือขุดเนี่ยคุณจะถูกขุดถูกจุดไหมถูกวิธีไหมแค่นั้นเองนะถ้าไม่ขุด ภาษามันตกตรงนี้คุณไปขุดอีกที่หนึ่งคลาดไปนิดเดียวเนี่ยแค่สองเดียวมันเราก็ไปเจอแล้วใช่ไหมต้องยอดประสาทตกตรงไหนให้ขุดตรงนั้นอันนี้คือวิธีของคุณโบราณเขาฉลาดในการฟังก็คือเราจะต้องมานั่งคุยกันตั้งแต่ห้าโมงที่มาใช้เวลาเพราะว่าอาสมศินแต่ละครั้งที่มาทําบางกลุ่มบางชุดนี่นะห้าชั่วโมงถ้าแต่บ่บายสองโมงทุ่มสองทุ่มยังไมเศษเลย เพราแต่ละคนมวรายละเอียดเยอะมากก็ต้องปล่อยให้เขาออกมาให้หมดบางทีเราก็มาแบ่งเวลากับมันก็ไม่เป็นผลแล้วคนสามสิบคนบางคนแบ่งเวลาคนละห้านาทีนะนเยอะได้สองชั่วโมงอ่าเพราะแบบจริงๆข้อมูลมันออกมาสิบนาทีไม่จบเลยสิบห้านาทีไม่จบเลยอันนี้เราควบคุมไม่ได้เพราต้องให้โอกาสเขาที่จะแช์ออกมาแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดบางคนคือในร่องไดร้อยเท่านั้นเองว่า เราฟังว่าเอออ ย, อยู่นี่รอๆอยู่ก็บอกใหว่าไปเรื่อยอันนี้คือเหตุผลว่าเราไม่ต้องมีการประมิลผลด้วยสัมนาหลังจากปฏิบัติแล้วเพื่อให้ตรวจสอบว่าภายในที่เราปฏิบัติเราหกเหตุวันถูกต้องตรงไหนไม่ถูกต้องไหนแล้วคุณครูคนจะปรับอย่างไรมีการประมิลผลด้วยวาจาทางกายแล้วก็บอกให้ทำการแบบคนก็ทําถูกบ้างผิดางมาบอกว่าให้ทำติดต่อให้รู้กันว่า ยู่จังหวะเคลื่อนนะถึงจถูกพอไปทําริงๆเมื่อทาปอกๆแป๊กไปงั้นเ่ยผมปฏิบัติมาหลายปีเขาไม่ผมไม่รู้ไม่เคก็ไปคู้นเข้าใจอะไรคุณทําไม่ถูกอาจารย์ก็เน้นให้ดูทุกวันะสายหัวสายหางไปเลยมันมันไม่ใช่แต่เราก็ไม่ต้องบอกเพราะว่าเขาต้องเกิดปัญญาเขาเองถ้าเขาไม่เปิดปัญญารู้เองเนี่ยเราไปบอกวันนั้กี่คร้งคุณเขาก็ไม่เอาเพราะไม่ใช่ปัญญาของเขาอันนี้คือข้อพิเศษของผู้ศาสนา นั่นออมาเพ็ยงแต่บอกว่าข้ามาจะถ้าไม่จําเป็นมาก็ไม่จําชี้จำชัยเพราะอะไรความเคารพ่อหลักการก็มีแค่ไห น, นขอเคารพ่อผูาอาารย์ก็มีแค่ไห น, นแล้วสศรษฐปัญญาก็มีแค่ไห น, นตัวนี้จะไปเกิดววัดอีกทีหนึง่งแล้วก็ผลก็จะเช้าไว้ตามนั้นบางคนสร้างจะหว่ามานานนะมันไม่ไปไหนเหมือนกับเราไปฟันไม้อ่ะคุณอยายฟันปอกปก็แป้งมังงงงงขนขะไม่ได้คุณต้องใส่ให้เต็มที่เต็มแรงเลยครับมันจะขาดให้ใช่ไหม คุณใส่ไปสามาว ก, ก็เหมือนเด็กฟันไม้ฟันเด่นจะขาดเป็นไม่ขาดอคุณมีแรงเนทะ่าไหร่ใส่เข้าไปมันจะขาดไปใช่ไหอแต่ว่าก็ต้องดูจังหวะเหมือนกันวิธีการฟันไม้คุณจะสับลงไปที่เดียวเนะี่ยไม้คนใหญ่ถ้าขาเนะี่ยคุณจะสับลงไปรอยเดียวมันจะขาดนะเพราะปัญญาของคนไม่เหมือนกันปัญญาบางคนเหมือนเลื่อยปัญญาของบางคนเหมือนขวาน ปัญญาของบคนเหมือนมีปัญญาของมางคนเหมือนเลื่อยโซ่ปัญญาของมางคนเหมือนเลื่อยชักแต่ละคนปัญญาไม่เหมือนกันถ้าคนปัญญาเหมือนมีโต้เดียวคุณจะไปทําเหมือนเรื่อยไม่ได้คุณต้องสับซ้ายสับขวาถึงจะลงมาได้ใช่ไหให้รู้ว่าปัญญาของเราเป็นอย่างงี้นะต้องทำแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทีมแจงได้ไม่หมดแต่ให้ไปรู้ด้วยปัญญาของตัวเอง ตรงนี้คือประสบการณนะ์ที่สัสมกันมามันสอนแต่ ไ, ได้แต่เราก็มันเรียนรู้เรียนแนวเอามาก็ดูว่าใครที่จะรู้ได้เร็วได้ช้าก็ดูที่การทำว่าตรงเป้าตรงจุดแต่งทีเราก็ไม่ได้บอกโดยเฉพาะคนบุงทีเป็นการดูถูกปริญญาของเขาเขาไม่กล้าบอกเลยตรงต้องให้เกียดกันแต่บอกเป็นลุงรว ม, รวมท่นั้นเองบอกเป็นวมก็ ท, ทาอย่างนี้นะจะรู้ ทีนี้คนเก่าไปเห็นคนคนใหม่ไปเห็นคนเก่าทําก็นึว่ามันถูกแล้วก็ทำตามว่ามันปุบปก็กล้งไปตายมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีดังนั้เองก็ผู้สอนก็จะเป็นแบบอย่างได้ด้วยเป็นหลักด้วยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีสมาคมจีนที่เขาเดินมใส่วิธีการอุเทียนเพราะว่าวิธีการอุปเทียเขาไม่เยแกล้ในจีนก็เยอะนะเขไปจากคนทางใต้ของเราเนี่ยจากการแย่สงขาที่เรเชื่อมใจ ไปจีนคุณพิสิทธิ์ไปพิมพ์หนังสือแจที่ต่อมาเขาก็เอานิมนต์ห ล, ลงพ่อทองไปสอนก็แต่ที่เขาก็ยังไม่เพียงพอนิมนต์หลพ่อคำเขียนไปหลวงพ่อคำเขียนได้อย่างที่เราถือภาพมัมีปัญหานิานมนอาจารย์ต่างๆที่วันนึงก็มาพบผมที่อคตมาอยู่ที่อาสนศี พวกเขาเป็นสมาชิกของชมลมหลวงพ่อเทียนแห่งประเทศจีนคณิยานปณิโตพอมานิมนต์ไปพอเดินธันวานิมนต์หลงพ่อไปพลวกพ่พูดไทยจริงแล้วเดินกุมพาตอนตุ้จจีนเขาจะพากันมาแต่ที่นุมนลงพ่อไปก่อนเป็นทันวามาาก็บอกว่าพวกคุณได้ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่สำคัญสำคัญที่พวกคุณี เชิญไปคุณเข้าใจไหมว่าคําสอนหรืพุทียนที่แท้จริงเป็นอย่างไรถ้าจะธรมาจะฟังคุณพูดเนี่ยคุณอาจจะพูดจากความจำความเข้าใจการที่คุณมีแต่หลวงพ่ออยากให้คุณก็เข้าปฏิบัติกันงพ่อจสีวันได้ไหมก่อนที่หลวจะไปที่เขาบอกนัดเดือนกัญญาเรียนกัญยากระโทมาภูมิติทุละหนักเลยเพราะเป็นเดือนตุลา พอเรียนพุทธิการมาไม่รับเราเดชสุดท้ายมาไม่รับถ้าคุณไม่มาปฏิบัติก่อนมาไม่ไหวพรา้รู้ว่าฝ่ายจีนไม่ใช่ธรรมดาเขามีพื้นฐานของเซนมาตั้งแต่ท่านพุนทธิธรรมจนถึงหุ่นหนึ่งหกข้าหกเซนเพราะฉะนั้นพื้นฐานเขาจไม่ใช่ธรรมดามันจะต้องมีอะไรที่ละเอียดซับซ้อนมากเพราะนั้นจะไปพูดผ่านรากอันมาเขาไม่อยากจะพูด เพราะมันอาจจะไม่ตรงอยู่ที่เรานั้นอย่างภาสาอังกฤษเนี่ยมาต้องไปพยายามเรียนรู้จนจนพูดได้ถึงจะสอนเขาได้ไม่เช่นั้นเราไปถ้าเราพูดถูกแต่ละมันสอนผิดแดดไปแฝงผิดแดดไปว่าเขาผิดไม่ได้เขารู้อย่างนั้นแต่มันเป็นการตระหนักรู้ของเราว่ามันจะผลแค่ไหนเนี่ยมาดูมีเงื่อนไขเขาอย่างนี้นถ้าเราสิบวันเนี่ยถ้าเขามีพื้นฐานระดับหนึ่งเนี่ยก็พอที่จะเรียนรู้จากเราว่า ภาษาอย่างภาษาของเราที่คุณจะสื่อเนี่ยต้องอย่างนี้นะคุณต้องเข้าใจปราตะระดับหนึ่งในสิบวันนี้ต้องการตรวจสอบคุณปฏิบัติในกลุ่มหลวงพอ่อที่นิมนต์ไปมานานคุณเข้าใจรูปนํามไหมคุณเข้าใจปราตะไหมต้องการตรวจสอบแค่นี้เองแต่คุณเข้าใจรูปน้ามถูกเข้าใจประมะตูคุณสามารถสื่อภาษาทางใจได้เพราะภาษาหลวงพ่อเรียนวิชาภาษาการเป็นภาษาจิตจิตสูจิตแบบเซนเพราะนั้นไม่โยงกันด้วยว่าพ่อเรียนปรมามะอาจาร เซนแห่งประเทศไทยถูกต้องเลยนะแต่ว่าเราไม่โปรมโมทเพราะมันไม่ใช่เรื่องพอมาไปเห็นสภาพว่าลูกนางของหลวงพเทนสอนท่านสอนวิสนาฝาขวมาพูดมาหลายครั้งถามว่าลูกนามเป็นอย่างไรผมฟังอาจารย์มาหลายอาจารย์ผมไม่เข้าใจลูกนามเป็นอย่างไรแต่ ท, ที่ท่านจะบอกว่าลูกนาไประ ย, ยุที์ท่านยบอกหยิบควมาแล้วเปิดฝาขวด ถ้าขวดน้ำในเต็มเดี่ยผมโยนทิ้งเกอะไรขึ้นน้ำก็ไหลหมดลงพอทีนี้ผมปิดฝาถังวัวยนทิ้งอีกทีน้ํา้ำก็อยู่เหมือนเดิมคุณไปหาฝาผลมาก็แล้ว แ, วแค่นี้ไม่ได้อธิบายมากเอามาามาเไปคุณสนใจเรื่องเศ์มานานนะันแดจากบุรุธาตก็อยู่ที่ศนงกสองสามปีมาสนใจด้านเศษหงพออมาอ่านหังสืงสิง์งูงมาเรีนเศนี่แต่เป็นเนนเพราะสมัยนี้มาเป็นเนนนี่ อุบาชาเล่ไปอยู่ด้วยท่านให้อ่านหนังสือหลวงพอกโดยท่านให้ฟังผู้วันโดยบังเอิญนั้มาเป็นคนอา่อานอ่านนั่นก็เกิดสินทรัพย์เราเรียนรู้จากนุ่นมาตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจดังนเรืเ่อเหล่านี้มันต้องมีที่ไปที่มาพอสมควรไม่ใช่ทําตามความอยากของเราก็าจะอยากรูดด้นี่ก็เอาให้เต็มที่เลยมันไม่ได้แล้วก็ค่ยรู้เรียนรู้ไปอย่างระมัดระวังมีครูบาอาจารย์มีกิริยานะมิตรกิริยาใ น, นสหารามีสิ่งแวดลอ้อม อีเอื้อดนะนั้นเองในช่วงวันนี้ลองลองเก็บตรวจสอบดูว่าสิ่งไหนที่เรายังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะมาจะเน้นว่าทำสร้างจังหวะเป็นองคงรวมแบบหลวงพ่เทีนให้ถูกผลวงเห็นเน้นเน้นว่าคุณอย่นานั่งหลับตาแต่มาเขาเน้น่าอย่างนั้นแหละแต่เขาจะทําให้ทําเป็นเรื่องปัญญาไม่พอเราที่เน้น ใครยังนม่นั่งรับตาก็ว่าเขาไม่ได้เพราะนั่นคือปัญญาขเขาเดี๋ยวไปบอกเขาเขาจะมาดูถูกเขาใช่ไหมคุณต้องสร้างย่อให้เป็นจังหวัดเ้ำปกไปไปอกไปก็ต้องเคารพเขาอะ่ะอันนี้คือมันเป็นสิทธิของเขาเป็นสิทธิส่วนตัวไปละเมิอดอะไรไม่ได้แต่เรามีหน้าที่บอกไปตามหลักเกณฑ์ น, นั่นเองน่ะนั่นเรื่องเล็กๆสาคัญเรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะครูอาจารย์ใหญ่บริหารมันมันไม่ใช่เป็นอย่า ง, ง, ง่ายๆเนาะ คือหมาถึงประสบการณ์มันไม่หมายถึงต้องไปเรียนรู้จะไปสอนอาจารย์หรืเป็นอาจารย์กรรมฐานอาจารย์มันไม่ได้แค่ประสบการณ์เลื้ยงๆนีงคุณมีไม่พอเนีมันเป็นไม่ได้ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณประสบการณ์ทั้งโลกคนเราจะชนานาญได้ใช้เวลาสิปียี่สิบ ป, ปีใช่ไหมอาจารย์สมจินทนระสอนภาษาไทยมาตลอดถามว่าชํานาญชํานาญมากนั่นคือประสบการณ์ใช่ไหมประสบการณ์มันมากกว่าคูณสอนมากกว่าตำราสอน ตำราครูเขาไม่ได้บอกเทคนิคแทค ก, ก, กติกอะไรสกอ่างให้เราเใช่ไหมแต่เราต้องไปพิแารณวเองตรงนี้คือเพราะปัญญาที่เกิดจากปะสบการณ์มันเป็นปัญญาที่ที่สูดแล้วเป็นโลกุตตร์ภปัญญาแต่ถ้าหากว่าเป็นทางเกี่ยวข้องกับวัตถุทาสมมติอยู่ก็เรียกวโลกุตร์ภปัญญาอยู่ถ้าเกี่ยวข้องด้วยนะมามธรรมเกี่ยวข้องในี่เาเรียกวโลกุตร์ปัญญานะทั้นั้นเองประสบการณ์ที่ยาวนานเนี่ยเรื่องสําคัญถ้าเป็นปรสบการณ์ที่ผิดพลาด ก็ผีพลาดมายากนพะาคนอื่นหลงทางผิดหมดแต่ประสบการณ์ถูกต้องมันก็ไปในทางถูกต้องคนอื่นที่ตามก็ไปถูกเพราะฉนั้นธรรมะของหลวงเทียนเป็นธรรมะจากประสบการณ์ไม่ใช่จากตำราบางทีจากตำราท่านเอามาพูดถูกๆมันผิดหลายคนก็ไม่ได้อย่างโสติวราเขารัไม่ได้นะว่าหลวงพ่อเทียนพูดจะไม่ถูกเขาแอนตี้ได้ซศราไปโซนโมว์แอนตี้หลวงพ่อเรียนเพะโซนโบว์เขาออกวิชาการใช่ไหมเที่ยงวิชาการ แต่อาจารย์กควิลรับได้ทั้ฉลาดแต่อาจารย์บริษักที่คู่วอาจารย์กุมภิลรับไม่ได้ดนะตีนะฮะเพราะฉะนั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราจะต้องในสมัยครั้งพุทธกาลใครที่มาใหม่มาต่างรัฐที่นิการพุทธเจ้าต้องให้มาอยู่ปฏิบัติเบื้องต้นอย่างน้อยสองปีหลวงพ่อชาวก็เอาพระชาติท่านทำนะพระที่จะปฏิบัติใน จะรีดในพียองท่านเนี่ยต้องมาอยู่เป็นบขาวอย่างน้อยปีสองปีขึ้นไปปีสองปีไม่ใช่ว่าจะบทให้เลยต้องรู้พฤติกรรมเปิดแปลงไหมแล้วก็อุปนิสัยทางการเนี่ยพอที่จะรับเรื่องอย่างนี้ได้ไหมเนียแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมันง่ายเกินไปมันง่ายมันก็รู้ผีผีเพี้ยนเพียนไปแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเวลาจํากัดดังนั้นในช่วงเวลาที่เหลือวันนี้ เ, เป็นเวลาโอกาสเป็มที่นะที่เราจะให้ถูกต้องนะ ทำเต็มที่แล้วเกิดผิดเพี้พยนอะไรมาไมา่มมได้บอก <c oughs> ทำอถูกต้องเขาว่าถูกต้องไปอย่างคือทําแล้วผ่อนคลายสบายแล้วก็มันเข้ากับกําลังของเราถ้ามันเกินของเราขอเราก็ไม่ใช่อีกทําไปแล้วมันอื่นอัดขัดเครื่องอวุ่นวายสับสนเรื่องนี้ก็ไ ม, ไม่ไม่ถูกแล้วต้องปรับต้องแก้ให้มันรู้สึกสบายโปร่งแล้วก็รู้สึกทำแล้วมันการรู้การเห็นมันชัดขนาดมันถูก คำว่าคำว่าเอาจริงจังตั้งใจนี่บางทีมันมันไม่ถูกเพราะว่าจริงจังตั้งใจด้วยอวิชชาไม่ใช่ด้วยวิชามันเกินกําลังตัวเองเกินสติปัญญาโดยเองเราก็ต้องดูดังนั้นกรรมฐานมันสำคัญตรงนี้ว่าเราประเมินตัวเองให้ออกอะเพราะว่ากําลังของเรามีเท่าไหร่สีิปัญญาที่จะรู้เรื่องนี้เบื้องต้นที่สุดการรู้รูปนามมันจะเข้าใจกําลัง แต่เข้าใจลู้นนำอย่างถูกต้องเลยนะถ้าเข้าใจลุ้นนไม่ถูกก็ประเมินตัวเองไม่ออกเหมือนกันว่าวเองเรามีกําลังเท่าไหร่มีสติปัญญาเท่าไหร่ประเมินไม่ถูกตัวนี้เป็นรุ่งสําคัญของนิพพานพระเทวีสรุปเชนสันว่าบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกและปลูกสิ่งที่ถูกต้องให้ตัวเองอันนี้คําจำกัดของท่านในการ ออกตัวเองได้ใช้ตัวเเป็นเห็นเลยชั ด, ดเดจนถูกปลูกในสิ่งที่ถูกต้องให้กับใจตัวเองได้เป็นเรื่องที่ละอียดอ่อนนะเพราะฉะนั้นในชุวงชาวันนี้หลังจากพิทานอนเช้าเสร็จแล้วจนไปถึงโน่นลั่นสี่โมงเย็นเราทำดูในขอบเขตที่เราจะทําได้ศาลาหลังนี้บ้างศาลาหลังนี้บ้างหรือบางคนต้องการแยกไปทําที่ นอนหองตนที่มันจะทําได้ก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้ผลมันออกมาชัดเจนอยู่แก่คทำพิธามที่นอนเขาเองไปแอบหลับ่างนอนหวงพก็ไม่รู้กันหวกไม่รับผิดชอบนะเดี๋ยวไปนั่งแอบคุยกันหวงก็ไม่รับผิดชอบกันนะเพราะอะไรเพราะนั่นคือความรับผิดชอบเฉพาะตัวที่ครูอาจารย์ก็ต่างรู้ไม่ได้ไม่ไ่วจะเดือย <c oughs> <c oughs> นั่นแสดงว่าประเมินตัวเองถูกน ตัเอนี่ไว้ใจไม่ได้นะระดับไหนก็ไว้ใจไม่ได้เอามาเป็นพระมณียี่2ิบีันติเบมาก็ไม่ไว้ใจตัวเองเหมือนกันนะแต่ดูมันไปเรื่อยๆอะไรมาหลอกเราแต่ละวันแต่ลนไม่ใช่ธรรมดาต้องพยายามศึกษาทัืงนี้ไปนะหลงจากช่วง น, นี้ไปแนละ้วใจลุกขึ้นเดินจบภูมสภัก็กที่ละมา